ถ้าเราไม่ปรับฝึกปรับทาาปรับขันไม่ใชการออกกำลังกายเหมือนกันถ้าออกกาลังกายแบบแรงแข็งกระด้างเกินไปมันจะทำาให้กล้ามเนื้อของเราหยากลมหายใจหยาบแรงเวทนาแรงการออกกาออกกำลังกายคือทำเรื่อยๆนะทำทดสอบความหนักความเบาจงังหวะเข้าออกต้องใช้เวลา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 ทะลวงถึงธาตุขันทั้งหลายดังนะนั้นการภาวนาถึงใช้วิลัยาการบุพเพต่อหนึ่องระยะอะีระยะหนึ่งให้เป็นพฤติกรรมนะการภาวนาจนพฤติกรรมประจําวันไม่ใช่ว่ามีเวลามานั่งปฏิบัติเสีีไม่มีเวลาก็ไปทาเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องสามารถเอาการภาวนาลงในชีวิตประจวันมันถึงจะทันกัน